ทูดบ้าหนาวเสด็จพ่อเดี๋ยวก่อนหนาวเดี๋ยวก็ร้อ น, อนเสด็จพ่อแมลงวันตอมพ่อบอกหิวแล้วพ่อว่าไงกระหายพ่ อ, อ ก, กระหิวก็หิวข้าวกระหายกระหายน้ําอยากกินอยากดื่มแล้วพ่อว่าน้นพระราชาก็คอยปลอบโยนอยู่นั่นแหละวันคืนผ่านไปรลวงราตรีแมก้กลางวันก็ต้องเสด็จไปเที่ยวบินธบัตนําพัดมามอบให้กุมาร น, นั้นพัดนั้นเคยอยู่พระราชวังก็มีแต่ของดีดีด อ, รอร่อยเนี่ยนะ นี่ก็ไปบินธบาทก็ได้พัดอาหารที่คละกันมามีแต่ข้าวฟ่างนะนะมีแต่ข้าวฟ่างลูกเดือยแกงถั่วเป็นต้นนะ่ะพระกุมารก็หิวก็สเสวยพัดแม้นั้นด้วยอํานาจความหิวต่อการไม่นานนะักก็พร้อมเนี่ยนะก็เคยสเสวยแต่อาหารดีๆไม่กินเท่าทว่าข้าวก็คือพวกลูกเดือยข้าวฟ่างกับแกงถั่วเนี่ยนะแกงถั่วก็เอาถั่วมาต้มนั่นแหละแล้วใส่เครื่องเทศนิดหน่อย เข้าไปเนี่ยนะเฮ้ยเคยฉันแล้วอยู่ครั้งหนึ่งไปถึงพาราณสีเกือบเพลนพอดีเลยนั่งรถไฟมาตังกต่ตีสามตีสี่มาถึงพาราณสีค่ำนะก็ลงรถลงรถไฟมาก็ไปกับแขกับเฟิร์สเนี่ยคนหนึ่งพอไปถึงเราก็ออกจับก็ไปขึ้นในรถรถแ่รถโดยสารรถมารถเช่าอะนะแรถซมอะไรนะสี่ล้อสี่ล้อแบบโดยสารเล็กๆอะ ก็ไปนี่พอไประหว่างทางเออมันจะฉันเพลนแล้วเนี่ยมันจะหมดเวลาเพลนก็มองหาร้านอาหารก็ไปเจอร้านเนี่ยร้านขายข้าวขายโรตีขายเนี่ยแล้วก็มีแกงถั่วนะแกงถั่วเหลืองสีเหลืองโอ๊อยนั่นน่ะร้า น, นราดแคข้าวราดแกงถั่วบอกว่าแล้วก็เลยบอกอไม่เอาอารจะปฏิกันแล้วกันมาปฏิจิบมแกงถั่วนั่นน่ะ ก อ, อ่อยดีเดีต่ชาติเคยเป็นแข็งมาก่อนฉันได้แต่นี่ถ้าหากว่าคนที่เคยแต่แบบประณนีตประณี๊ตเคยทานแต่อาหารอ ร, อร่อยๆแมมาเจออาหารชนิดนี้เข้าไปนี่แหมมันพร้อมเลยแหละเหมือนดอกบัวดอกประทุมที่วางไว้ในที่ร้อนฉะนั้นถอนดอกบัวมาตากแดดเนี่ยนะมันก็ค่อยเช่าไปเช้าไปพระราชกุมาร น, นี่ก็เหมือนกันพอเสเวยอาหารที่ไม่ค่อยดีก็พร้อมลงพร้อมลง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 ที่เจรนาโดยนะว่าที่บริโภคก็ไม่ใช่เพื่อจะเล่นเพื่อจะโมเมาไม่ใช่เพื่อจะอยู่ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่ บ, บวบเข้ามาเพื่อที่จะบำรุงผิวพรรณรูปร่างวันนะให้เป็นความงดงามอะไรเป็นต้นนะที่บริโภคก็ไม่ได้บริโภคเพื่อจะเอาเรี่ยวเอาแรงไปทํามาค้าขายอะไรที่ไหนหรอกเลยนะเขเพียงว่าให้ชีวิตเป็นไปได้จะได้ประพฤติพรหมจรรย์จะได้อนุเคราะห์สมถะและวิปัสสนาต่อไปหลังจากที่พระองค์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 กลับไปกลปเกว่ากลับไปฉันปาราตามเดิมดีกว่าว่ากั้นทานของหวานหวานวานมันมผมฉันไม่ได้ว่ากั้นกลับไปแล้วก็เลยโบกมืออัมลาวัดเลยกลับไปฉันปาราตามเก่าดีกว่าก็คือบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือบางคนนี่ไปเจอที่เดือดร้อนเข้าเรียกว่าอะไรไปเจอเข้าวเขาเอาถั่วเหลืองมาทํากะปิเนี่ยนก็ได้ยินเรียกถั่วเน่าคือถั่วกะปิถั่วเหลืองนั่นแหละเรียกเขาเรียกว่าถั่วเน่าอีสานได้ภาคเหนือภาคเหนือ นะเข้าเนืยวกับถั่วเน่าเนี่ยก็อลองดูเถอะใครอยากลดน้ําหนักนะอาทิตย์เดียวเนี่ยก็ลดได้เยอะเนี่ยนะเชืยว <c oughs> อาหารลดน้ําหนักเลยแหละมันก็ไปเจออาหารลักษณะนั้นเข้าถ้าหากว่าคนที่ไม่มีการพิจารณาไม่มีการใคร่ครวญเนี่ยนะแต่มือแรกสองมือเนี่ยมันพอทําใจได้แต่หลายๆมือเข้าไปเนี่ยชักหนักใจเหมือนกะันนะ <c oughs> แล้วก็คนที่บวชมาเนี่ยะจะได้ประสบพบเจออาหารสารพัดชนิดที่มีอยู่ที่เขาบริโภคกันเนี่ยนะก็ได้ชันในที่ที่ของมันไม่ผิดพระธรรมวินัยแต่ถ้าไม่มีการพิจารณาจริงๆก็เดรัจฉานกระถาก็จะตามมาแหละนะก็ไม่ได้ถือเอาภาระแห่งการบวชเพื่อประพฤติปฏิบัติสมถาวิปัสนาเพื่อนำออกจากทุกข์อะไรหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้พระกุมารยินยอมแล้วพระองค์ก็ตรัสว่ า, านะก็เลยเกลีย ก, กล่อมบอกลู ก, ลก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 จากนั้นก็พระองค์ก็นําพระกุมารเสด็จกลับไปตามทางที่เสด็จมากาเอาไปส่งฝ่ายพระเทวีพระมารดาของพระกุมารก็ดําเนินว่าบัดนี้พระราชาพระพระกุมารไปประทับอยู่ในป่าคงไม่นานนักคงจะเสด็จกลับโดยสองสาวันเท่านั้นก็เลยให้ล้อมรั้วในสถานที่พระองค์ขีดด้วยไม้ฐานพระกอนไม้ฐานพระกรก็คือไม้เท้านั่นแหละนักบวชสมัยก่อนจะมีไม้เท้าไว้อันหนึ่ง เหตุผลก็ได้เวลาเดินเนี่ยจะได้วางก ร, กระแทกพื้นเนี่ยตุบุบตุๆไปเนี่ยถามว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือพวกหนูพวกหนูพวกงูพวกอะไรมันก็จะได้เดินไปไกลเพราะเสียงวางเต้าพวกนี้มันก็จะหนีไปก่อนไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายก็เลยโบราณก็จะมีไม้เท้าทีนี้ใบเท้าบางทีก็เอาซี่เหล็กมาวางไว้ข้างล่างมันจะดังกริ๊กกริ๊กนะเวลาวางดังกริ๊กกริ๊กนะเสียงเหล็กแผ่นเหล็กกระทบกันพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะหนีไป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 ยานที่ตรัสรู้อริยสัจโดยลำพังเฉพาะตัวแล้วก็อุทานอุทานคาถานี้ในถ้ำกลางแห่งพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่โคนต้นไม้รกฟ้าไว้ว่าเอวังทุติเยนะสหามามสะวาจาพิลาโปอภิสัชนาวาเอตังพยังอายติงเปกขมาโนเอโกเจเรฆาควิสานกัปโป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 เพราะว่าเมื่อเรามีการพูดจามีการพูดคุยมีการเลี้ยงดูไปเวลาเห็นอะไรเราจะนึกถึงเช่นนั้นบางทีเห็นเด็กที่ไหนเราก็สงสารคิดถึงน้องเหมือนกันคิดถึงน้องเออน้องเราจะเป็นยังไงน้องเหมือนกันตั้งหลายปีกว่าจะหายเหมืกันพันเพราะว่าถ้ามีการพูดจาพูดคุยมีการเลี้ยงดูกันก็จะมีความผูกพันเยอะใหญ่ก็คือความผูกพันแปล ว, ว่าสายใหญ่แห่งความสัมพันธ์มันคิดถึงไปที่ไหนก็คิดถึง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 การพูดจาและคล่องอยู่ทั้งสองนั่นเป็นอันตรายต่อการบรรลุคุณวิเศษเพราะรอเพราะถ้าหากว่ามัวแต่การพูดคุยกันเอาคุยกับเด็กคุยอริยศาสตร์รู้เรื่องไหมลนะ่ะคุยอริยศาสตร์นี้ลูกทุกนี้สมุทยัยนี้นีโรดนี้มัดนะนี้ควรกําหนดรู้นี้ควรละควรเจริญเนี่ยนะเแบรเบาะขวบสองขวบเนี่ยนะโอ้จะไปรู้เรื่องอะไรเนี่ยนะขนาดคูณ2คูณสาเนนะี่ยยังไม่เคยจะรู้เรื่องมาขนาดนั้ คูณสิบด้วยซ้ำไปก็ยังยากเข้างั้นจะกล่าวไปอ้แบเบาสองสามขวบเนี่ยนะมันจะไปคุยกันนะอาเริยสัตว์คนไหนเนาะเหมอนกันท่ามแต่พูดโมแต่คุยอยู่นั่นแหละก็คุยอะไรก็คุยแต่เพิ่เจอพรานมันก็เป็นอันตรายต่อการนะับบรรลุคุณวิเศษเมื่อไรจะบรรลุเป็นพระปจเจดเพราะฉะนั้นจึงทิ้งการพูดการจาการติดข้องนั้นเสียปฏิบัติโดยแยกคายตาม ตามอริยสัย์เรียกว่าสัจจานุโลมมิจยานในการพิจารณาเพื่อสอดคล้องต่อการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัย์ก็บรุเป็นพระปัจเจกพรพุทธเจ้าซึ่งภาษาริบุทได้นิเทศไว้ในคัคค า, า, าวิสานสูตรว่าการพูดด้วยวาจาก็ดีความเกี่ยวข้องก็ดีกับสหายสหายก็คือลูกอนนันเช่นลูกเป็นต้นพึงมีแกเรา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 แล้วคูณทวารหกอยู่20คนก็คูณ6ก็120เนี่ยนะอยู่ร้อยยีมิหน้ามชุลมุนขนาดนี้นะเรื่องมากขนาดนี้ไม่ต้องแลกลใจเราเพราะตันหามากแล้วเกินตามทวารต่างๆนะคนหนึ่งคูณ6คูณ18คูณร้อเข้าไปเนี่ยนะถ้าคนละร้อยแปดถ้าอยู่กัน10คนเนี่ยเรื่องมันจะวุ่นวายขนาดไหนนั่นก็เรื่องมากตามจํานวนแต่ตันหาที่เกิดขึ้นอะไรก็ียกว่าไม่เหงาล้อนะอยู่กับเพื่อนมัน